ให้งานช่วยคนให้ยิ้มออกแม้ไรายได้ไม่น่าปลื้มนักแต่ยิ้มที่เกิดขึ้นทุกวันยกระดับความรู้สึกสุขสว่างงานทำให้คุณมีอำนาจหน้าที่คุณเลือกใช้ได้สองแบบแบบที่จะทำให้คุณดูมีอำนาจกับแบบที่ทำให้คนอื่นยิ้มออก คนที่หน้าตาบึ้งตึงมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าบ่อยบ่อยมักมีความไม่พอใจกับงานหรือไม่ก็รายได้จาก ง, งานของตนเก็บกดจนต้องระบายออกเอากับคนรอบข้างหรือไม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาความภูมิใจผิดผิดไม่มีเรื่องก็หาเรื่องให้ได้ใช้อำนาจหารู้ไม่ว่าการสร้างความเกลียดด้วยการบีบให้คนอื่นตกอยู่ใต้อานาจได้ชั่วคราว ในระยะยาวไม่ได้นำมาซึ่งความภูมิใจแต่ได้ความทนงเพี้ยนมาต่างหากบางวันถึงขั้นรู้สึกสัมผัสถึงอัปมงคลในที่ทางานได้อย่างชัดเจนทีเดียวส่วนคนที่ยิ้มอยู่กับงานของตัวเองยิ้มอย่างไม่เคยเบื่อหน่ายกับหน้าที่ของตัวเองคือคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในการช่วยให้คนอื่นยิ้มออกถึงแม้รายได้ไม่น่าปลื้มนัก แต่ยิ้มตนและยิ้มคนอื่นที่เกิดขึ้นทุกวันก็ช่วยยกระดับความรู้สึกได้ว่างานนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสุขสว่างน่าภูมิใจแต่คนในที่ทำงานบางคนหน้ามันไส้เหลือทนแลวจะให้ช่วยคนเหล่านั้นอย่างไรไว้ด้วยใจที่ละเอียดอ่อนพอสัมผัสรู้ถึงความมืดบอดของคนพูดเอาแต่ได้ สัมผัสรู้ถึงความรุ่มร้อนของคนหยาบคายร้ายกาจคุณจะพบว่าที่ทำงานมีคนน่าเห็นใจอยู่เต็มไปหมดเขาทุก์กับความร้ายของตนอยู่แล้วแม้กระทั่งคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกก็ดูสมควรได้รับความช่วยเหลือให้หน่ารังเกียจน้อยลงเมื่อฝึกเห็นใจตนด้วยเห็นใจเขาด้วยที่ทำงานจะเหมือนโรงทาน คุณจะทำงานเหมือนทำทานด้วยความรู้สึกยิ่งให้คือยิ่งได้และให้เปล่าคือได้เปล่างานเหมือนกันตั้งใจต่างกันชีวิตจิตใจก็ผิดกันเป็นคนละเรื่องได้ข้อสังเกตที่ง่ายที่สุดคืออยากให้งานช่วยให้คนอื่นยิ้มออกหรืออยากควบคุมให้คนอื่นอยู่ในอำนาจตนนี่แหละ